วันนี้ชาวพุทธ 1 พุทธวจนะคือคํา 2 คําสาวก ในวงที่แต่งเติมอธิบายเพิ่มขึ้นใหม่จะโดยสาวกหรือใครก็ ที่บ่งพุทธประสงค์ความสามารถ 1 พระองค์สามารถกําหนดสมาธิ 2 แต่ละคํา ในวงเล็บดูพระสูตร 1 2 แต่ละคําที่พูดเป็น 3 คําที่พูดนับแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานนั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ห่วงใหญ่ 4 ทรงบอกเหตุความ 4 แนะนํา 5 ทรงกําชับให้ศึกษาระระ 5 ระวัง 6 ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่กเฉพาะ คือสิกขาแต่ไม่ได้บอกให้เพิ่มเติมได้น้อยเพิกถอนขอด้านธรรมะยาหลง 7 สำนึกตนเป็นเพียงผู้ติดตามพระองค์เท่านั้นว่า ในวงเล็บวง 7 คงคําสอน 8 ตรัสและคําอธิบายอย่างถูกต้องว่าให้ทรงๆไปในวง 8 พร้อมป้องกัน 9 ทรง อันเกิดจากเกิดอธิบายผิดความลางเลือนความบิดเบือนไปจากเดิมอธิบายในวงเล็บความสรุปรักแก่พระอานนท์ให้ เพื่อจะช่วยกันรักษาความถูก เรานั้นหรือจำเดินแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้าย ความสามารถดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าว ดูก่อนภิกษุอันเห็นได้ด้วยตนเองหลายควรเรียกให้มาชมควรน้อมเข้ามาอันดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วด้วยตนเองให้ ภิกษุทั้งหลายนับแต่ราตรีนี้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยกันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้ง 4 ห่วงใหญ่ภิกษุทั้งหลาย มีแผลแตกหรือริพวกกษัตริย์ทัสสารหะได้หา เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าไปใหม่เท่านั้นภิกษุ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนยตาเมื่อมีผู้นำพระสุตันตะเหล่านั้นมา กราบมีอักษรสละสลวยมีเป็นเรื่องนอกแนวสละสลวยเธอจากฟังด้วยดีพยัญชนะอันวิจิตร เล่าเรียนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่าภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุบริษัทมีอักษรสละสลวยกรณีนี้สุตันตะเหล่าใดที่ ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่ เธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในทำหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันลงได้พิกษุทั้งหลายพิกษุ บ.�. หลาวนี้副เรียกว่า บ.�. ที่มีการลุ่ไปได้ด้วยการสอบถามแกสกันการแลกส์ออกหาใช่ด้วยการชิแจงโดยกระ จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลพระสูตร 5 เพิ่มเติม บริษัทอาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอกเป็นเครื่องนําไปโนปติปุจฉาวินิตาในวงเล็บไม่และปฏิปุจฉาวินีตาปริศาในวงเล็บ บริษัทอาศัยการสอบสวนทบทวนกันเองเป็นเครื่องโนโอกาสจิตตะวินีตาในวงเล็บไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคล ภิกษุทั้งหลายในใดเมื่อสุตันตะทั้งหลายตถาคตภาสิตาอันเป็นตถาคตภาสิตคัมพีราอันลึกซึ้งคัมพีรัตถามีอรรถะอันซึ้งโลกุตตระเป็นโลกุตระสุญญตา ปติสังยุตตาประกอบก็ไม่ฟังด้วยดีเรื่องสุญญตาอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ก็ กลอนมีมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวสลวยมีพวกเธอย่อมฟังด้วยดีอันย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงเป็นเรื่อง พวกเธอเล่าเรียนธรรมอังควีแต่งใหม่นั่นเผยแจ่มแจ้งออกมาว่าข้อนี้เปิดเผยสิ่งที่ยัง ไม่บรรทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าโอกาจิตตะวินีตาปริศาโนปติปุจฉาวินีตาภิกษุทั้ง โอภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คืออย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเป็นเรื่องนอกแนวกรณี อันก็ไม่ฟังด้วยดีนำไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงกล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดี เมื่อพวกเธอย่อมฟังด้วยดีผู้ย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงสุตตะเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนั้นก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทำให้เปิดเผยแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอรรถะๆได้ภิกษุ นี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริศนาอุกา บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้ง 2 พวกนั้นคือบริษัทปฏิปุจฉาวินีตาปริสาสนโอกาจิตตวินีตาแลพระ 6 ระวัง อปริหานิยธรรมข้อ 3 ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้ง 7 ยาหลงภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ธรรมรรคที่ ได้ธรรมมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่ ในผู้เดินตามมักเป็นผู้ตามมาในภายหลังผู้เดินตามมรรคเป็นผู้ตามมาในภายหลัง ภิกษุทั้งหลาย 4 ประการเหล่านี้ 4 ประการ 4 ประการ 1 ภิกษุทั้งเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกพวก ความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกซึ่งทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ เมื่อมีผู้กล่าวอ้างในแบบต่างๆว่านี้เป็นพุทธวจนะเพื่อสอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินัย 1 เมหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะ นี้เป็นคําสอนของพระศาสดา 2 หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า 3 หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า นี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดา 4 หากมีภิกษุใน ads. ค. พแช้วได้สดับเฉพาะหน้าประเทระรูป Fernan ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินายนี้เป็นคําสอนของพระสาเธอทั้งหลายยังไม่พึงรับรองยังม่าพึงคัดค้าลของผู้นันเธอพึงก countries ความเหล่านั้นให้ดีแล้วนําไปส ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าใน เทียบเข้าในพระองค์นั้นแน่นอนก็ได้พระสูตรสิบลงสันนิษฐานว่าอานนความ ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไป จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยแห่งเราอานนความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษว่าเป็นอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้าย